วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบหกรกฎาคมพุทธศักราชสอง2ห้ากสสองเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันหนึ่ง ในสามวันสำคัญของพระพุทธศาสนาถ้าลำดับตามเหตุการณ์วันที่หนึ่ง ท, ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นมาก็คือวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือนหกสำคัญเพราะเป็นวันประสูติวันเกิดของพระพุทธเจ้า เป็นวันตัดสรุของพระพุทธเจ้าและเป็นวันจากไปของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นวันสำคัญวันแรกของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องมีการตัดสรุของพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนเพราะว่า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาสอนพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกที่จะเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากไปวันแรกคือวันวิสาขะเป็นวัน สำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันเกิดและวันตรัสรู้คือการบรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสผู้ที่ตรัสรู้ทางสู่การพ้นทุกข์ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีสัตว์โลกคนใด สามารถที่จะทำให้ตนเองหลุดพ้นได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้วก็ทรงใช้เวลาไข้ครวญพิจารณา อยู่ประมาณสองเดือนด้วยกันก็ทรงเห็นสมควรที่จะนำความรู้อันวิเศษนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปสองเดือนหลังจากที่ได้ทรงตัดสุลูกก็คือวันนี้วันเพ็ญเดือนแปดวันที่พระองค์ได้ทรง มาแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีผู้ที่เคยเป็นผู้ติดตามศึกษากับพระองค์มาก่อนแต่ได้แยกทางกันหลังจากที่พระองค์ได้ทรงหยุดการปฏิบัติธรมานร่างกายอดพระกายาหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกัน พระปัญจวัคคีย์ก็คิดว่าพระพุทธเจ้ายอมแพ้ไม่สามารถที่จะสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆได้จึงเกิดความเสื่อมศรัทธาในความสามารถของพระพุทธเจ้าจึงขอแยกตัวออกจากการเป็นลูกศิษย์ลูกหา แต่พระพุทธเจ้านั้นหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วก็ทรงเห็นว่าไม่มีใครที่จะเหมาะสมกับการรับความรู้ที่พระองค์ได้ท่งตัดสรู้ยิ่งกว่าพระปัญจวัคคีย์ถึงแม้พระปัญจวัคคีย์จะเสื่อมสัตตาในตัวพระองค์ไปแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ย่อท้อ เพราะความเมตตากรุณาสงสารที่พระปัญจวัคคีย์นี้ยังไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและจะสามารถหลุดพ้นได้ถ้าพระองค์นำความรู้ที่ได้ทรงตัดสรูนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าเลยมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีย์ และได้พบกันในวันเพ็ญเดือนแปสองเดือนหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุพระองค์ก็เลยได้มาพบกับพระปัญจวัคคีและในยามบ่ายของวันนั้นก็ได้ทรงแสดงพระธรรมจกจากับวตนะสูตรเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ที่เราเรียกว่าพระปฐมเทศนาได้ส่งแสดงเรื่องอริยสัจวี่ส่งแสดงเรื่องมรก8ดทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ได้ส่งแสดงเสร็จพระปัญจกักในกวัคคีย์คือพระอญญาาณโกนธั ญ, ญะก็บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งขึ้นมาทันที เป็นพระ อ, อริยสงฆ์สาวกองค์แรกของพระพุทธศาสนาวันนั้นจึงถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเพราะว่าองค์ประกอบของพระพุทธศาสนานี้ตอนเริ่มตอนนี้จำเป็นจะต้องมีพระรัตนตรัยคือมีพระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรู้พระธรรมอันประเสริฐ และมีการแสดงพระธรรมอันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุพอหลังจากที่ได้ฟังธรรมอันประเสริฐนี้แล้วหนึ่งในผู้ฟังพระอัญญาณโกนทัญญะก็ได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีการเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ยกเว้น ย่อมมีการเสื่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสัตยธรรมความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุข้าวของต่างๆจะต้องมีวันเสื่อมมีวันดับไปในที่สุดถ้า รู้ความจริงแล้วปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์เมื่อเกิดการพัพลาคจากกันนี่คือการปรากฏครบองค์ของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนและพระอริยสงสาวกพอมีพระรัตนตรยัย ก็ถือว่ามีพระพุทธศาสนาเพราะจะมีศาสนาคือคำสั่งคำสอนนี่ตั้งอยู่ไปในโลกได้เป็นเวลาอันยาวนานถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องจากจะต้องจากไปตามธรรมดาของกฎของตายลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ยังจะมีพระธรรมคำสอน และมีพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังได้รับได้รู้ได้นำเอาไปปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ศาสนาพุทธของเราจึงอยู่มาได้จนถึงบัดนี้ เพราะว่าเรายัางมีพระรัตนใจอยู่กับพวกเรานั่นเองคือเราไม่ทอดทิ้งพระรัตนใจพูดง่ายๆไม่ใช่ว่าท่านอยู่กับเราท่านจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่ที่เราจะรักษาท่านไว้หรือไม่ถ้าเราไม่รักษาท่านต่อไปท่านก็จะไม่อยู่กับเราแต่ถ้าเรารักษาท่าน ด้วยการ ป, ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยก็จะมีอยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆอย่างไม่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือพระาศาสนาของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆอย่างที่พวกเราเห็นกันไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ ไม่ได้อยู่ที่ศาลาไม่ได้อยู่ที่กุฏิไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลต่างๆไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปนสะิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของพระพุทธศาสนาหรือจะเรียกว่าเป็นส่วนและเครื่องแต่งกายของพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมความสง่าราศีให้กับพระพุทธศาสนา แต่องค์พะศาสนาองค์ของพระพุทธศาสนาตัวของพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่พระรัตนะตรยอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าได้จากเราไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้วก็ตามแต่ก่อนที่พระองค์จะจากไปพระองค์ได้ทรงสั่งไว้ว่า พวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระบรมศาสดาเพราะว่าตัวแทนของพระบรมศาสดาก็คือพระธรรมคาสั่งคาสอนที่ได้มีการจดจำบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี้เองที่จะเป็นพระบรมศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไป ดังนั้นเรายังตอนนี้ยังมีพระรัตนตรัยอยู่เรายังมีพระพุทธเจ้าในรูปแบบของพระไตรปิฎกเรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกและเรายังมีพระอริยสงสาวคพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้บรรลุธรรมขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรายังมีพระอริยสั ส, สงสาวกอยู่ในโลกนี้ก็เวลาที่ท่านตายไปกระดูกของท่านจะกลายเป็นพระธาตุถ้ากระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุก็แสดงว่าท่านได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วาได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือพระนิพพานแล้ว ท่านได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วและท่านก็ได้ปลูกฝังลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่จะสืบทอดพระอริยธรรมอันประเสริฐนี้จากท่านอีกหลายลูปได้กันเรืเราจึงมีความมั่นใจว่าในสมัยปัจจุบันนี้ยังมีพระอริยสงสาร อ, อยู่ ยังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่จะนำพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติและได้บรรลุธรรมตามลำดับต่อไปนี่แหละคือ วันของวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่เรามาลํำลึกถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเมื่อ2562้าบวกกับอีกสี่สิบห้าปีด้วยกันพระพุทธศักราชนี้เรานับที่วันจากไปของพระพุทธเจ้า แต่วันที่ก่อตั้งของพระพุทธศาสนานี้ก่อตั้งในระยะเวลา45ปีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากไปเราก็เอาปี200 2562มาบวกกับ45เราก็จะได้อายุของพระพุทธศาสนาถ้ามีใครถามว่าศาสนาพุทธมีอายุเท่าไหร่ เราจะได้ตอบเขาได้ว่าสองพันห้า้ยหกสิบสองบวกสี่สิบห้าปีนี่คืออายุของศาสนาซึ่งตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้จะอยู่ต่อไปได้จนถึงห้าพันปีหลังจากนั้นแล้วพระพุทธศาสนาก็จะจากพวกเราไป จากไปเพราะว่าพวกเราไม่สนใจที่จะไปรักษาเท่านั้นไม่ได้จากไปเพราะอะไรศาสนาจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่ที่การอนุรักษ์รักษาของพวกเราแบบถูกวิธีการอนุรักษ์รักษาศาสนาแบบถูกวิธีคือต้องรักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่ใช่ไปนักษาถาวรรวัตถุของพระพุทธศาสนาเช่นสร้างพระพุทธรูปกันองค์ใหญ่โตมโหฬารสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อันใหญ่โตถาวรรวัตุเหล่านี้ไม่ว่าจะสร้างใหญ่โตขนาดไหนมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันชำรุดมีวันสิ้นสุดลงหรืออาจจะวันใดวันหนึ่ง ถูกภัยของสงครามมาคุกขามก็ได้ถ้าเกิดมีสงครามเกิดขึ้นถ้ามีผู้ไม่ปรารถนาดีกับพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็จะมีการทำลายท้าวลวัตถุต่างๆของศาสนาได้อย่างที่เราเห็นกันในต่างประเทศบางประเทศเมื่อมีการเกิดํำสงครามกันขึ้นมาผู้ที่มีกำลังมากกว่า ก็จะใช้อำนาจใช้กำลังมาทำลายสิ่งต่างๆที่เขาไม่ศรัทธาที่เขาไม่เชื่ออันนี้แต่พวกเราไม่ต้องไปกังวลเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวของพระพุทธศาสนาถ้าเขาต้องการทำลายศาสนาพุทธเขาต้องทำลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ เขาจะทำลายได้อย่างง่ายดายเพราะหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธรธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าทำลายถา ว, วทวัตถุนี้ง่ายเพราะเขาไปที่วัดเขาก็สามารถทำลายโบสถ์ทำลายเจดีย์ทำลายพระพุทธรูปอะไรต่างๆได้ แต่เขาไม่สามารถทำลายพระธรรมคำสอนอันประเสริฐที่อยู่ในใจของพระอริยสงสาวกได้ต่อให้ทำลายวัดทั้งหมดให้หมดไปจากประเทศไทยก็ตามถ้ายังมีพระอริยสงสาวกอยู่ศาสนาก็ยังไม่ตายถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนถึงแม้ว่าจะตัดต้นไม้ทิ้งไปให้หมดก็ตามแต่ต้นไม้เหล่านั้นก็ยังไม่ตาย ถ้าไม่ได้ถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นจากดินทิ้งไว้สักระยะหนึ่งต้นไม้นั้นก็จะงอกงามกลับขึ้นมาได้ขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นถ้าตราบใดยังมีพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของพระอริยสงสาวกอยู่ตราบนั้นศาสนาจะยังไม่มีวันสิ้นสุดจะยังไม่มีวันหมดไปถึงแม้ว่าวัดว า, ารามจะถูกทาลาย ไปมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นองค์ประกอบของศาสนาไม่ได้เป็นองค์ประกอบสําคัญของศาสนาดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะรักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยากจะรักษาศาสนาให้อยู่คู่กับพวกเราไปนานๆเราก็ต้องรู้จักวิธีว่าจะรักษาอย่างไรวิธีที่จะรักษา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อยู่กับพวกเราให้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งให้เป็นแสงสว่างนำทางพาให้พวกเราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็ต้องสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาภายในใจของเราถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วเขาจะทาลายไม่ได้นี่แหละ สิ่งที่เป็นตัวสาคัญของศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาภายในใจของพวกเราทุกคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเห็นกันนี้ยังเรียกว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเช่นพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้รึ เรือตัวแทนที่เราสร้างขึ้นมาคือพระพุทธรูปเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่เราจะสร้างขึ้นมาในใจพระธรรมคำสอนที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกอยู่ในหนังสืออยู่ในตู้หนังสือตามวัดวารามต่างๆก็ยังไม่ได้เป็นพระธรรมที่แท้จริงนยังไม่ได้เป็นพระธรรมภายในใจ พระอริยสงฆ์สาวกที่เราไปกราบไหว้บูชาท่านก็ยังเป็นพระอริยสงฆ์ภายนอกใจที่พวกเราจะต้องเอามาเข้ามาไว้ในใจของพวกเราถ้าเปรียบเทียบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บนี้ถึงแม้จะมี ความวิเศษมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่จะไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้ถ้าคนไข้ไม่รับประทานยานั้นถ้ามียาแต่ไม่รับประทานยาโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายถ้าอยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปคนไข้ต้องกินยาตามคำสั่งของหมอพอได้กินยาได้เอายาเข้าไปใน ร่างกายยาก็จะได้ทาหน้าที่ของยาคือบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปได้ฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกที่เรากลาบไหวบูชากันนี้ก็เหมือนกับยาอันวิเศษแต่เป็นยาที่อยู่ภายนอกใจที่ยังไม่สามารถมาบำบัดความทุกข์ ของใจของพวกเราได้ยังไม่สามารถมาหยุดใจของเราไม่ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราต้องการให้ใจของเรานี้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เอาเข้ามาในใจของพวกเราวิธีการที่จะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาในใจของพวกเรา ก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนว่าขั้นที่หนึ่งของการที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันวิเศษนี้เข้ามาในใจของพวกเราเพื่อทำให้ใจของพวกเราวิเศษขึ้นมา ก็คือการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระ ส, สงฆ์นี้เองอย่างที่พวกเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันในตอนนี้เรากำลังเริ่มศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระ ส, สงฆ์เราต้องรู้จักว่าพระ <less S 3> พุทธเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์เป็นอย่างไร <media> ก่อนเมื่อเรารู hmm. ้แล้วเราจะได้ทำความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้านี้วิเศษอย่างไรพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เลิศอย่างไรพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้านี้เก่งกาจอย่างไรก็รเก่งกาจในการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะทำได้ถึงแม้จะเป็นผู้ที่เก่งกาจระดับมหาจากักรพรรดิก็ตาม มหาจากักรพรรดิมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ทุกคนยังต้องเจอกับความทุกข์ใจเพราะว่าไม่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ใจด้วยวิธีใดนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเผยแผ่มาสั่งสอนแล้วจะไม่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ต่อให้เก่งการอย่างมากไม่ว่าในทางใดก็ตามทางสงครามทางเศรษฐกษิจทางกีฬาทาง อ, าอะไรต่างๆทางแสดงเป็นนักแสดงรางวัลตุ๊กตาทองเป็นนักกีฬาเหรียญทองอพวกนี้ก็ยังเจอความทุกข์กันทั้งนั้นไม่มีใครยัง ไม่มีใครที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์มีพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกนี้เท่านั้นที่เก่งกาในการจกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจยิ่งจายยิ่งกว่าความทุกข์ใจยิ่งกว่าการเวียนว่ายตายเกิด และไม่มีอะไรที่วิเศษที่เป็นคุณเป็นประเสริฐเป็นคุณเป็นสิ่งที่ประเสริฐมีคุณค่าต่อจิตใจยิ่งต่อการสิ้นยิ่งว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่บดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผู้ที่ได้พบกับความสุขระดับสูงสุด ระดับที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่เรียกว่าบัลลมะสุขนี่นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่จะสอนเราให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าถ้าหลังจากที่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ผลที่เราจะได้รับนั้นเป็นอย่างไรผลก็คืออะโลกุตระธรรมธรรมที่จะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นหลุดออกจากการดึงดูดของโลกของสังสารวัฏของวัฏฏะสงสารคือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราทุกคนที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุ ยังจะต้องติดอยู่ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสารณะคอยศึกษาคาสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่อย่างสม่าเสมอแล้วเมื่อศึกษาแล้วรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติตามกําลังตาม ตามขั้นตามตอนของกำลังที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถพึงปฏิบัติได้ในเบื้องต้นก็ต้องเริ่มจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากถ้ายังไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติขั้นที่สูงขั้นที่ยากได้พระพุทธเจ้าก็มีขั้นที่ง่ายให้ได้ศึกษาให้ได้ปฏิบัติไปก่อนเหมือนกับโรงเรียนที่เราไปเรียนกันโรงเรียนเขาก็มีขั้นง่าย แล้วก็มีขั้นยากผู้ที่ยังไม่สามารถเรียนขั้นยากได้ก็ให้ไปเรียนขั้นง่ายก่อนให้ไปเรียนชั้นอนุบาลก่อนแล้วค่อยไปเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาตามลาดับต่อไปศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันสอนการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ในระดับง่ายและในระดับยากสําหรับบางท่านอาจจะเคยผ่านระดับง่ายมาแล้วในอดีตชาติพอมาเกิดในชาตินี้พอได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะสามารถเข้าสู่ระดับที่ยากได้เลยเหมือนกับถ้าเราเคยเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองนี้เราได้จบป .6 แล้วพอเราย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง เราก็ไม่ต้องไปเริ่มที่ปหนึ่งใหม่เราขอเรียนชั้นมหนึ่งได้เลยเพราะเราบอกว่าเราเคยเรียนชั้นปหกมาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็ให้เขาทดสอบดูเอาข้อสอบมาสอบดูถ้าเราสอบได้เขาก็จะเชื่อว่าเราผ่านมาแล้วเขาก็จะให้เราเรียนชั้นสูงได้ชั้นใดผู้ที่มาเกิดในพบนี้ ถ้าจะเข้าไปเรียนชั้นสูงก็เรียนได้ถ้ามีความสามารถไม่ต้องผ่านชั้นต่ำก็ได้ศาสนาพุทธนี้ก็แบ่งไว้สองชั้นด้วยกันชั้นต่ำกับชั้นสูงชั้นต่ำก็สำหรับผู้ที่ยังเป็นข่าววาสของเรือนผู้ที่ยังมีภาระหน้าที่รับผิดชอบกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆอยู่ อันนี้ก็เป็นระดับร ะ, ระดับง่ายระดับต่ำระดับยากระดับสูงก็เป็นพวกนักบวชนี่เองนะบางคนมาเกิดแล้วก็มาบวชได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กพ่อก็แม่ก็เอาไปอยู่วัดให้ไปบวชเป็นเนบวชแล้วก็ไม่ยอมศึกโตขึ้นมาก็บวชเป็นพระต่ออนี่แสดงว่าเขาเคยผ่าน การบวชมาแล้วในอดีตชาติเขาอยู่กับการบวชได้แต่บางคนให้บวชเน้นบวชได้เดือนสองเดือนก็ขอพ่อแม่กลับบ้านแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าออดีตชาตินี้ไม่มีความรู้เก่าความสามารถเก่าติดตัวมาก็ต้องกลับมาอยู่เป็นคราวาสก่อน มาปฏิบัติธรรมระดับของผู้คลองเรือนก่อนแล้วค่อยพัฒนาจากระดับผู้คลองเรือนขึ้นสู่ระดับของนักบวชต่อไปแล้วก็จะได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้แหละเรียกว่าเป็นการเข้าสู่เข้ากับคือการได้นำเอาพระธรรมเข้ามาสู่ใจ เช่นพอเป็นพระโสดาบันนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นธรรมเห็นธรรมแท้ธรรมจริงธรรมที่แท้ธรรมจริงนี้มันจะปรากฏขึ้นมาในใจเราถึงแม้ว่าธรรมนี้พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ตามแต่พอธรรมที่เราได้จากการปฏิบัติได้จากการบรรลุปรากฏขึ้นมาในใจเรานี้มันจะเป็นเหมือนธรรมสดๆร้อนๆ ไม่ได้เป็นธรรม 2,500 กว่าปีแต่เป็นธรรมอันเดียวกันแต่เป็นธรรมที่เรียกว่าอากาลิโกนี่แหละธรรมที่เรียกว่าอากาลิโกความหมายอยู่ตรงนี้เป็นธรรมที่สดสดน้อนในใจของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นครั้งแรกอย่างเช่นพระอานยณโกนทัญญะได้เห็นธรรมเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าได้เห็นมาก่อนสองเดือนในบันเพนเดือนหก แต่พอพระพุทธเจ้านำมาสอนพระอัญญาณโกลธัญญะให้ปฏิบัติตามพอพระอัญญาณโกลธัญญาปฏิบัติตามได้ทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นในวันเพ็ญเดือนหก็มาปรากฏขึ้นในใจของพระอัญญาณโกลธัญญะในวันเพ็ญเดือน8เป็นธรรมอันเดียวกันแต่เป็นสําหรับพระอัญญาณโกลธัญญามันก็เป็นธรรมสดๆร้อนๆ ธรรมนี้ต่างจากธรรมที่ได้ยินได้ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าธรรมที่ได้ยินจากพระโอษนี้เป็นธรรมภายนอกธรรมที่ทรงสอนให้เราน้อมเอาธรรมภายนอกนี้เข้าไปภายในใจพอน้อมเอาธรรมภายนอกเข้าไปในใจได้เอามักแปดเข้าไปภายในใจได้ก็จะปรากฏธรรมขึ้นมาภายในใจที่เป็นธรรม ที่เป็นโลกุทธะธรธรมที่เป็นธรรมที่วิเศษที่มากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้สำหรับพระโสดาบันอย่างพระอริาอัญญาณโกนทัญญะพอท่านบรรลุธรรมขั้นโสดาบันท่านก็ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายอีกต่อไปไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของท่านหรือร่างกายของใครก็ตามเวลาเขาตายหรือเวลาร่างกายท่านตายความทุกข์ในใจจะไม่มีเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านเห็นแล้วท่านยอมรับท่านไม่ฝืนไม่เหมือนพวกเราที่เห็นเหมือนกันแต่ยังไม่ยอมรับยังฝืนอยู่ ยังไม่ยอมรับความตายกันพอเห็นความตายไม่ว่าจะเป็นของไข่ก็ตามใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าปฏิบัติจะสามารถสอนใจให้ยอมรับความจริงได้เมื่อใจยอมรับความจริงใจจะไม่ฝืนใจจะไม่ดือ้อใจจะน้อมรับความจริงเข้าสู่ใจยอมให้ร่างกายตายไปพอเห็นด้วย ทำว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเนีเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้กับเราตอนที่อยู่ในท้องแม่เท่านั้นเองเนอันนี้คือการนำธรรมเข้าไปสู่ในใจเมื่อธรรมนี้อยู่ในใจแล้วไม่มีใครจะมาแย่งมาทาลายได้ต่อให้ฆ่าร่างกายธรรมนี้ก็ไม่ตาย สมมติว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดอุบัติเหตุตายไปก่อนน่างกายตายไปแต่ธรรมที่อยู่ในใจของพระโสดาบันนี้ไม่ได้ตายท่านสามารถเอาไปปฏิบัติต่ตอได้เพราะว่าธรรมขั้นโสดาบันนี้ยังจะต้องมีการพัฒนาต่อไปจากขั้นโสดาบันก็พัฒนาเป็นพระสกิ ด, ดาคามี จากพระสกิดาคามีก็เป็นพระอนาคามีและจากพระอนาคามีก็เป็นพระอรหันต์ตามลําดับโดยที่ไม่ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกมาเป็นครูเป็นอาจารย์อีกต่อไปเพราะว่าพระธรรมธรรมที่ได้เห็นได้ปรากฏขึ้นในใจนี้แหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่จะเป็นผู้สอน สอนใจของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปให้ปฏิบัติไปได้ตามลำพังเกิดมาข่าวหน้าถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดเวลาสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกภพทุกชาติพระโสดาบันนี้จะปิดประตูบ่าย เมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายอีกต่อไปจะไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ไปตกนรกจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาและจะเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะในช่วงที่เกิดแต่ละครั้งก็จะมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาปฏิบัติต่อ มาเจาริญต่อยอดจากขั้นโสดาบันขึ้นสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปนี่คือความวิเศษของพระธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้น้อมเอามาเข้าสู่ใจแล้ว เขาพระธรรมนี้จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติจะพาจิตใจของผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี้ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ตามลำดับด้วยการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามธรรมที่ได้มีอยู่ในใจธรรมนี้จะคอยบอกว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขสิ่งไหนเป็นทุกข์ก็จะสอนให้กำจัด สิ่งไหนที่เป็นสุขก็จะสอนให้รักษาไว้แล้วต่อไปความทุกข์ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจก็จะหายไปตามลําดับจนหายไปหมดไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจากขั้นที่หนึ่งที่ยังมีพบชาติเหลืออยู่เจ็ดชาติ พอขึ้นสู่ขั้นที่สองก็จะเหลือพบชาติเพียงชาติเดียวพบชาติของมนุษย์หรือเทวดาเพียงชาติเดียวแล้วถ้าขึ้นสู่ขั้นที่สามขั้นวะนาคามีได้ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอีกต่อไปแต่ยังไปติดอยู่ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่และจะบรรลุ จากชั้นนั้นไปสู่ชั้นนิพพานต่อไปเป็นพระอาหารหันต์ต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาบวชมาปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติในใจได้เลยในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมที่มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นสุดทาวาสอันนี้เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีหลังจากที่ร่างกายของท่านตายไป ถ้าจิตใจของท่านเป็นอนาคามีแล้วจิตใจท่านจะไม่กลับมาเกิดมีร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเทวดาต่อไปแต่จะแต่จะไปมีร่างกายของพรหมแล้วก็จะปฏิบัติในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมได้แล้วก็จะบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ตามลำดับต่อไปพอได้ถึงพระนิพพานก็หลุดออกจาก โลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของการเวียนว่ายกายเกิดคือรูปะพบอรูปะพบกามะพบนี้จะไม่สามารถดึงดูดจิตใจของผู้ที่ได้ไปสู่พระนิพพานให้กลับมาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือผลที่จะได้รับจากการที่ได้มีศรัทธามีความเชื่อในพระรัตนตรยัย รือพระรัตนาไตยเป็นสาระเป็นที่พึ่งทางวิชาการเป็นครูเป็นอาจารย์ศึกษาคำสั่งคำสอนแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วทำอันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจแล้วถ้ายังไม่ตายถ้าเป็นยังเป็นมนุษย์อยู่ ก็สามารถเอาทำที่เลิศวิเศษนี้ออกมาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปได้นี่แหละเป็นาศาสนาที่แท้จริงอยู่ในใจของพระอริยบุคคลแล้วพระอริยบุคคลเหล่านี้มาจากใครก็มาจากพวกเหานี่แหละพวกเหล่านี้แหละถ้ามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมามีธรรมอันเลิศอันประเสริฐปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราแล้วเราก็สามารถที่จะนำเอาธรรมอันเลิศอันวิเศษนี้ออกมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปได้นี่คือการรักษาพระศาสนา วิธีการรักษาศาสนาที่ททแท้จริงต้องรักษาศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราไม่ต้องไปกังวลกับการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาวรวัตถุวัตถุมงคลต่างๆจะฮะจะสร้างก็ไม่ห้ามไม่ไม่ว่ากัน แต่ว่าจะไม่เกิดประโยชน์เท่ากับการสร้างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ภายในใจสร้างทาวรวัตถกุก็มีโอกาสที่จะถูกทำลายได้หรือไม่ถูกทำลายวันเวลาก็จะทำให้มันชำรุสดทุดโทรมและกลายเป็นซากปรักหักพังไปได้แล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากทาวรวัตถกุก็ไม่มากนักถ้าเป็นที่วสัยก็ ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัตินี้ก็ยังต้องมีที่อยู่อาศัยถ้าสร้างที่อยู่อาศัยก็ใช้ได้แต่ถ้าสร้างถาวรและวัตถุเพื่อความสวยงามนี้เพื่อเป็นเครื่องประดับอันนี้สร้างไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อการรักษาศาสนาต้องมาสร้างพระอริยบุคคลกันแล้วก็ไม่มีใครสร้างให้ใครได้ พระอริยะบุคคล น, นี้ทุกคนต้องสร้างด้วยตัวของตัวเองสร้างให้กับตนเองเท่านั้นผู้อื่นมาสร้างพระอริยบุคคลให้กับเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้สร้างอริยบุคคลหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาแล้วก็น้อมนาเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้ว เราก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนากันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาจะไม่สามารถทำลายผู้ที่ไม่ปรารถนาดีก่อต่อศาสนาพุทธนี้จะไม่สามารถทำลายธรรมที่มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้วศาสนาก็จะอยู่คู่กับโลกไปได้ เป็นเวลาอันยาวนานถ้าพวกเราชาวพุทธทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องอย่าหลงประเด็นว่าเราต้องมาสร้างอะไรกันประเด็นหลักนี้เราต้องมาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นภายในใจส่วนถาวละวัตถุต่างๆก็สร้างพอสมเหตุสมผลมีความจำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศัยก็สร้างไปพออยู่ได้ พอหลบแดดหลบฝนได้ไม่ต้องวิจิตพิสดารไม่ต้องรู้หลาพอให้เป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยได้เอาแบบฉบับของสมัยพระพุทธกาลว่าท่านอยู่กันอย่างไรพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนใหญ่ท่านจะไปอยู่ตามป่าตามเขากันแล้วท่านก็จะอยู่ตามโคนไม้อาศัยล่มไม้นี้เป็น บังแดดแล้วก็อาจจะทำเพลิงเพื่อการฝนอะไรทำนองนั้นท่านี้ท่านก็อยู่ได้แล้วพระทุดงในสมัยปัจจุบันเวลาที่ท่านไปทุดงในป่าท่านก็เอากรดไปอันหนึ่งกรดก็คือล่มล่มที่มีขนาดกว้างใหญ่เป็นพิเศษแล้วก็มีมุ้งไว้สำหรับคล่อมอกรดอีกทีหนึ่ง ไปอยู่ที่ไหนก็มีบ้านแล้วมีมีกรนี้ก็เป็นหลังคาแล้วก็มีมุงเป็นเหมือนกับเป็นฝามีมุงเวลานั่งสมาธิก็นั่งอยู่ในกรอันนี้ก็ท่านก็อยู่ได้แล้วพระทุดงท่านไม่ต้องการอะไรมากมายสิ่งที่ท่านต้องการคือสถานที่ที่เหมาะต่อการบาเพ็ญเหมาะต่อการบรรลุธรรมธรรมวิเศษนี้จะปรากฏขึ้นมาในใจด้นี้ ต้องปรากฏในที่ที่สงบสงัดวิเวกที่เรียกว่ากายวิเวกที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงแล้วจะมาลบกวนใจจะมาก่อกวนใจไม่ให้สงบ พ, พอได้ยินเสียงเพลงก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาพอได้กลิ่นอาหารก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาจะทําให้การ ทำใจให้สงบเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมนี้เป็นไปได้ยากผู้ที่ปฏิบัติท่านจึงมักจะไปหาที่สงบสงดตามป่าตามเขาอยู่กันเพื่อที่จะได้กาจัดริวรคือกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัสต่างๆที่จะมาคอยรบกวนการทำใจให้สงบที่จะมาปิดบัง มอันเลิศอันประเสริฐที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจพระปฏิบัติท่านจึงอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบมากน้อยสันโดษถ้าเป็นวัดท่านก็สร้างเป็นกระท่อมอยู่กันเป็นแค่อยู่กันเป็นแค่มีหลังคาป้องกันแดดป้องกันฝนมีทางเดินจงกรมไว้สำหรับเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญามี แค่ไว้สำหรับนั่งสมาธิไว้พักผ่อนหลับนอนเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับที่พักของผู้ปฏิบัตินะไม่จำเป็นที่จะต้องมีกุฏิมิจชิสมีเครื่องมีองค์ประกอบอะไรต่างๆเหมือนกับคารวะทูู้้คของเลือนนี่คือเรื่องของฐาวรฏวัตถุในสมัยพุทธกาลนี้จึงไม่ค่อยมีวัด ว่าที่ใหญ่โตพิสดารสวยงามเป็นวัดปา่าเป็นส่วนใหญ่เป็นกุฏิที่พักไว้หนบแดดหนบฝนแล้วก็มีศาลาไว้สำหรับทากิจกรรมที่จำเป็นเช่นการขบฉันการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นไม่ได้เน้นความสวยงามความยิ่งใหญ่ใหญ่เจ้าใหญ่โต ท, งทางฐานวรวาตุแต่เน้นในเรื่องของการ วิเวกในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะนี่แหละเป็นสะพานหรือเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเข้มข้นนักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา มันจเจริญสติควบคุมจิตใจให้ระ ง, งับความคิดปรุงแต่ง ต, งต่างๆเพื่อใจจะได้เข้าสู่ความสงบพอเวลาได้เข้าสู่ความสงบแล้วจะเกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาภายในใจจะเกิดความอิ่มความพอจะทำให้ไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเมื่อก่อนถ้าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็สามารถที่จะระ ง, งับ ตัดได้อย่างง่ายได้ถ้าเห็นโทษของความอยากด้วยปัญญาว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้จิตใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดต้องกําจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาภายในใจโดยเฉพาะความอยากที่เป็นเหตุพาให้มาเกิดแก่เจ็บตาย ส่วนความอยากที่จะพาให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ต้องกําจัดเช่นถ้าอยากนั่งสมาธินี้เป็นความอยากที่ดีอยากไปบวชนี้เป็นความอยากที่ดีอยากทําบุญทําทานอยากรักษาศีลเป็นความอยากที่ดีความอยากเหล่านี้ไม่ต้องละไม่ต้องตัดควรที่จะเลิญให้มาก อยากทำบุญให้มากอยากรักษาศีลให้มากขึ้นอยากจะไปบวชให้มากขึ้นให้นานขึ้นความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดี ความอยากที่ไม่ดีที่ต้องตัดคือความอยากที่จะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรความอยากเหล่านี้ต้องตัดเช่นอยากล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้รับรางวัลต่างๆอยากไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยากไปดูอยากไปฟังอยากไปดื่มอยากไปรับประทานความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ต้องคอยกาจัด ให้มันหมดไปจากใจหรือความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายก็เหมือนกันเป็นความอยากที่ต้องกาจัดเพราะถ้าไม่กาจัดมันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจแล้วมันจะทำให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี่คือขั้นปัญญาพอได้สมาธิแล้ว ก็จะมีความสามารถมีกำลังที่จะไประ ง, งับความอยากต่างๆได้ถ้าเห็นว่าความอยากนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจเป็นเหตุที่จะพาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเหตุที่จะทำให้ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทเป็นเหตุที่จะทำให้ซึมเศร้าทาให้กัะวนกระวายกระสับกระส่ายความอยากต่างๆเหล่านี้ถ้ามีปัญญา ก็จะรู้ว่าเป็นความอยากที่ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อไดก้กำจัดความอยากที่ไม่ดีให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์มาลุกคนใจอีกต่อไปจะไม่มีความอยากมาคอยชุดดึงให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนก็จะไม่ไปอีกต่อไปไม่ไปเกิดในกลามาภพไม่ไปเกิดในรูปภพ ไม่ไปเกิดในอรูปภพเพรารู้ด้วยปัญญาว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์นั่นเองทุกข์ย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นและผู้ที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์และเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือความอยากใน ราบยศสรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นการที่จะปฏิบัตินี้ก็ต้องปฏิบัติเป็นสองระดับด้วยกันถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติแบบเข้มข้นเต็มร้อยแบบนักบวชได้ก็ปฏิบัติแบบคารวาดผู้คองเรือนไปก่อนช่วงไหนมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน ก็ควรไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกันแทนที่จะไปทำอะไรที่ไร้สาระเช่นไปท่องเที่ยวตามที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดูฟังพ่อหอรศบบันเทิงอะไรต่างๆซึ่งการกระทําเหล่านี้ไม่เป็นคุณเป็นปีโยชน์กับใจอาจจะให้ความสุขเพียงเล็กๆ น, น้อยๆชั่วประเดียวประดาแต่ผลกระทบในทางระยะยาวมันจะทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด เพราะถ้าเราชอบหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะต้องกลับไปหามันอยู่เรื่อยๆถ้าร่างกายนี้ตายไปเราก็จะต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อเราจะได้กลับไปหารูปเสียงกลิน่นรสที่เราชอบต่อไปนั่นเองแต่ถ้าเราตัดการใช้เวลาไปกับการหาความสุข ทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมาเอาเวลามาศึกษาพระธรรมคาสอนมาฟังเทศฟังธรรมมาหัดปฏิบัติทำกันมาหัดรักษาศีลกันปกติก็ให้ทาอยู่แบบง่ายๆก่อนคือให้ทำบุญทำทานตามโอกาสมีเงินมีทองอยากจะใส่บาตรก็ใส่บาตรอยากจะบริจาคสร้างอะไรก็ทำไปรือจะสงเคราะห์พูด ยากไร้ก็ได้การทำบุญนี้ทำได้กับทุกคนไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องดูแล ว, วัดก่อนถ้าวัดลำบากอัตคัดกัดสนเราก็ต้องดูแลวัดก่อนแต่ถ้าวัดอยู่ดีกินดีแล้วก็ไปช่วยผู้อื่นที่เขายากไร้ได้ได้บุญเหมือนกัน บุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันเท่าของเงินทองนี้ไม่ว่าจะทำกับใครก็ได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องดูแลาศาสนาก่อนเพราะาศาสนานี้เป็นที่พึ่งของพวกเรา ถ้าเราไม่ดูลศาสนาต่อไปเราอาจจะไม่มีที่พึ่งให้เราพึ่งก็ได้แต่ถ้าที่พึ่งของเรามีเหลือเฟือแล้ววัดวารามต่างๆมีพร้อมบริบูรณ์แล้วไม่เดือดร้อนไม่อัตคัดกัดสนแล้วเราก็ไปช่วยเพื่อนร่วมโลกกันทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานการให้ความช่วยเหลือการนี้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการให้ความสุขเป็นการทาบุญ ทำได้บุญเหมือนกันบุญเท่ากันถ้าปริมาณการเสียสละเท่ากันเช่นทําบุญร้อยบาทกับพระทําบุญร้อยบาทกับขอทานความบุญที่ได้จากการเสียสละนี้เท่ากันไม่ต่างกันจะต่างกันก็คือบุญที่จะได้รับจากพระจากขอทานนี้ต่างกันเพราะถ้าทําบุญกับพระก็อาจจะได้ฟังเทศฟังธรรมเป็นเป็นบุญตอบแทน แต่ถ้าไปทาบุญกับขอทานก็คงจะได้แต่คาขอบอกขอบใจเป็นการตอบแทนที่ต่างกันต่างกันตรงนี้ต่างตรงที่ผู้ที่รับความช่วยเหลือนี้จะให้อะไรกับเรากลับมาถ้าทากับพระที่มีธรรมะมากก็จะได้ธรรมะมากกลับมาทาพระทากับพระที่มีธรรมะสูงก็จะได้ธรรมะขั้นสูงกลับมาทากับพระที่ได้มี ธรรมะขั้นต่ำก็จะได้ธรรมะขั้นต่ำกลับมาอันนี้จะต่างกันถ้าเราต้องการธรรมะถ้าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราไปให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าเราไม่ต้องการรับอะไรจากผู้ที่เราให้ความช่วยเหลือเราต้องการความสบายใจ ที่เรียกว่าบุญนี้ทำกับใครก็ได้เท่ากันเงินน้อยบาททำกับพระทำกับขอทานทำกับแมวทำกับสุนัขทำกับนกทำกับปลาก็ได้บุญเท่ากันคือความสบายใจเท่ากันนี่คือทำระดับของผู้คองเรือนที่สามารถทำกันได้ง่ายทำกันไปก่อน หมือนพยายามทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปเล่นอะไรกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันความสุขที่ได้มาต่างกันความสุขที่ได้จากการไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปดื่มนี้เป็นความสุขแบบควันไฟ แต่ความสุขที่เกิดจากการทำบุญให้ทานนี้เป็นความสุขที่จะทำให้มีความอิ่มความสุขไปยาวนานถึงแม้เคยทำมาหลายวันแล้วพอนึกกลับไปก็ยังเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอยอะให้ทำบุญอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ให้รักษาศีลห้าไปก่อนถ้ายังเป็นผู้คองเรือนยังไม่มีเวลาที่จะไปบวชก็เอาแบบนี้ แล้วพอวันไหนเป็นวันพระวันที่วันหยุดทำงานวันที่เราว่างเราก็ใช้วันหยุดนั้นเป็นวันพระไปนิไปศึกษาธรรมะไปปฏิบัติธรรมไปหัดถือศีลแปดไปหัดนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ไปก่อนทาอย่างนี้ไปต่อไปก็จะ พัฒนาขึ้นไปจากอาทิตย์ละวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันถ้าได้ผลดีก็จะมีกําลังใจมีความอยากที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปตามลําดับแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็จะสามารถไปบวชได้คนที่ไปบวชเขาไม่ได้ไปบวชทันทีทันใดส่วนใหญ่ก็ต้องพัฒนาจากระดับของคารวะขึ้นไปก่อนเขาก็จะ มันเข้าวัดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นบ่อยขึ้นศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมให้บ่อยขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอได้ปฏิบัติได้ผลก็จะมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วในที่สุดก็สามารถไปบวชได้พอไปบวชทีนี้ก็จะสามารถศึกษาและปฏิบัติได้อย่างเข้มข้น พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเข้มขน้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้บรรลุ ธ, ธรรมอย่างแน่นอนจะได้หลุดพ้นจาก กทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราได้ศึกษาประวัติของท่านพอท่านได้บวชแล้วท่านก็ปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำภารกิจอย่างอื่นมีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิมีแต่การรักษาศีลมีแต่การเจริญสติสมาธิและปัญญา พอมีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นและอย่างต่อเนื่องท่านก็บรรลุ ก, กันหลุดพ้นจากความทุกข์กันบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเราดูเรารู้ได้เพราะว่าเวลาที่ท่านจากโลกนี้ไปก็ดูของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุเป็นสักขีพยานยืนยันว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนก็มาจากพวกเหล่านี้ ท่านก็เป็นคารวะมาก่อนเกิดมาท่านก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระไม่ได้มาบวชทันทีทันใดท่านก็อยู่แบบคาววดบางคนก็มีครอบครัวบางคนอยู่จนถึงอายุกลางคนก็มีอยู่ถึงอายุกแก่ก็มีถึงก็ไปบวช ก็มีแต่ละคนก็แล้วแต่ความสามารถที่จะพัฒนาจิตใจแต่ถ้ามีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มีความปฏิบัติมีการปฏิบัติตามแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องได้รับผลอันเลิศอันวิเศษของพระพุทธศาสนานี้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามาปฏิบัติบูชากันในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะ พระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเราพระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราปฏิบัติบูบชาเพราะเมื่อเราปฏิบัติบูชาแล้วพวกเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงปรารถนาในการที่เอาธรรมะอันเลิ่อันประเสริฐนี้เผยแผ่มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าเราอยากจะแสะดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธเจ้าพวกเราก็ ต้องปฏิบัติบูบชากันถ้าเราปฏิบัติบูชาแล้วเราก็จะได้รับผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวารีวะหาปุราปาริปุเรเติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุส ah ังกบะจันโทปนะระโสยาถามณีโชติ ขาราโสยทัสพีติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตผวะตวันตารโยสุขีทีขาโยโวะอภิวาตนาสีฤทสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติ อายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสามร้อยแปดสิบูสามร้อยสามสิบห้า วิทยุออนไลน์18รับฟังข้้งบนนี้487คนรวมทั้งหมด 1,220 ครับ <Okay. S 3> วันนี้เป็นวันพิเศษคนเลยมากเมื่อเช้าสายบาทก็750กว่าคนก็เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่จะมีเวลาว่างที่จะได้เข้าวัดมาทำบุญทำทานกัน ก็ขอให้ปฏิบัติกันไปเรื่อยๆเนื่องจากวันนี้เวลาหมดพอดีก็เลยต้องของดเรื่องการถามตอบคำถามไว้โอกาสหน้าแล้วค่อยมาถามก็แล้วกันขอให้ทุกท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติ